ตัดไปเลยเห็นกายสภาวะกายนะมันแสดงอาการต่างๆแต่มีเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องของมันแล้วก็รู้เลยไปสร้างความรู้จากตัวเรื่อยไปเรื่องของความคิดจิตใจก็มีเยอะวิ่งไปหน้าวิ่งไปหลังเรื่องอะไรต่างๆ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 เรียกว่าพโยขาวาจอดคือมันลุยได้ลุยมาแล้วหมนรถวิบักมันลุยมาแล้วเพราะทำเพื่อให้มันเกิดการลุยนะไม่ใช่จะเหาะแยๆชีวิตของเราต้องใช่แต่ใช่ไม่ให้มันลุยมันก็อ่อนแอมันฝ่าเท้าเราใส่รองเท้าเดินไปไหน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 นายอนน่นได้นี่ไลอยมาก็คานเยอจๆแกๆ่ๆปวด อ, อ่ อ, อแอ่เข้มือเข้เท้าเรียนแบบดูโน่นดูนี่ไปเอาอย่างโน่นอย่างนี่ไปพ่อแม่ก็พ้น อ, อนโ น, น้นอันนี้ให้กแต่มาก็เดินได้วิ่งได้เออจับ ก, กลบลี่หนีภัยไปการพัฒนาชีวิตของเราตัวสติตัวนี้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 แต่สาโนโมกันไปคนละทิศละทางมันก็เลิกกันึ้นที่สองเราไปดูมันก็ไม่มีนี่เย่ทํามเฮตุปปว่าอย่าไปโกรธไปโกรธพดโอ้ยโวยวายอย่าไปโวยวายนีแล้วเราจะได้เห็นของกิ่ง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 ว่าหน้ามันรั่วตรงไหนเยี่ยวยาตรงนั้นกาเยี่ยวยาก็ไม่ใช่รูปคํำภาวะที่ปฏิบัติก็เหมือนกันไม่ใช่ไปโอดไม่ใช่ไปทนอ่าความทนนเป็นเรื่องหนึ่งต่างหากใครก็ทนได้แต่ยังไม่หมดกิเลสตัณหาเท่าไหร่แต่ว่าความรู้สึกตัวเถิดพอให้ความทนยั่งยืน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 ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรไม่มีคำพูดแบบนี้หรอกนักปฏิบัติทำดูก่อนทำดูก่อนไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไงไม่มีคำพูดอย่างนี้นักปฏิบัติไม่แต่พูดว่าเราจะทำเราจะปฏิบัติเราจะดูเราจะเห็นเราจะดูคําว่าไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไง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 เงอหข้าอนอนผงสานลังเลสงสัยคิดอดียี่สิบปีเอามาคิดสามสิบปีสิบสิบปีเอามาคิดเรียกว่าจินแล้วเกิดพยาบาทจิดแล้วเกิดการมมาหละครับมันจุ่มอะไรมามันฟื้นขึ้นมามันเอาไปรับเชื่อเชื่อกินเหล็ก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 ความรู้สึตัวมันลบผิดอรู้สึกตัวรู้สึตั ว, ตวใช่ไปเถอะมันจะฉลาดเองหรอกยิ่งใช่ยิ่งฉลาดตำรวจสืบตัวรูไ้ไปรู้ไปรู้ไปเขาว่าเขารู้นะเขารูนะ้เนี่ยอาไว้ของเขาแต่ว่าเราจะรู้ของเราไปก่อน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 จเจริญตรงนั้นที่สุดถึงพงศ์วจันท์ก็ไปเรื่อยๆไปถ้าเป็นแล้วไม่ได้ไปไหนนะมันอยู่ตรงนั้นแหละดีไม่ดีก็จมเลยนักปฏิบัติหลายชีวิตไปจมอยู่กับพงศ์ลูกไปจมอยู่กับพงศ์จกใครโคตรอะไรคิดไม่ได้อันเราก็เห็นดูไปในโลกนี่มันก็เป็นนะ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 ที่ชอบเป็นการกระทาที่สูงสุดก็เป็นการศึกษาชั shrink shrink ้นอุดมสมบูรณ์วันนี้เราก็เอาเท่านี้ก่อนประกาศข่าวฟ้องกันอะหุตมะจัมโตรมาตุลา